เมื่อนอนตื่นลืมตามีสติแล้วพึงคิดใช้ชีวิตด้วยเหตุผลใช้ปัญญาหาสิ่งดีมาใส่ตนจะเป็นคนพ้นลำบากไม่ยากเลยสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนัฐกรคุณชอบเล่าคลิปนี้ผมอยากจะยกเรื่องราวของเจ้าคุณนอนที่คุณเมฆหมอกมุงเมืองแห่งตุยตุนปีที่33เล่มที่9ปากแรกมกราคมปีพุทธศักราช2547ได้บันทึกไว้ เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรขอเชิญรับฟังครับผมเป็นคนชอบอ่านประวัติบุคคลสำคัญมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากเป็นเรื่องที่สนุกและตื่นเต้นพร้อมกับได้บทเรียนชีวิตไปในตัวเพราะชีวประวัติของแต่ละท่านนั้นมักจะแปลกประหลาดมหาศตรรทธทิจริงๆยกตัวอย่างประวัติชีวิตพระภิกษุพระยานารรัตนาราชมานิตตรึกจินตยานนซึ่งผมไม่เคยทราบประวัติชีวิตของท่านมาก่อนจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2515 ผมจึงเริ่มได้ยินเรื่องราวของเจ้าคุณนอนจากศาสตราจารย์อานอน์นภพพิรมท่านอาจารย์อนอนน์เล่าให้ผมฟังว่าท่านบวชอยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาสได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณนอนตักเตือนและสั่งสอนอยู่เสมอท่านอาจารย์อนอนน์เมื่อตอนจะศึกก็ไปเที่ยวหาเลือกศึกกับพระกัญชิตรักษาเกียรติที่บวชมาพร้อมกันจากสำเร็จพระพุทธโฆษาจารย์วสัสเกตขนาะนั้นแต่สำเร็จท่านไม่อยู่ก็เลยไปหาเลือกศึกกับพระหมอ่อดูสมัครเล่นในวัดเทพศิรินนั่นเอง ปรากฏว่าเจ้าคุณนอนได้ทักว่าวันนี้สององค์นี้ดูวุ่นวายใหญ่เมื่อเช้าก็ไปหาเลิกศึกกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์แล้วท่านก็ไม่อยู่ตอนบ่ายก็ไปหาพระหมอดูอีกอย่าวุ่นวายคุณบุตรธรรมยุทธนี่ก็ต้องยุติที่ธรรมะสิที่ท่านอาจารย์ อ, อนอนท์แปลกใจเอามากๆก็คือท่านไม่ได้บอกใครเลยเรื่องการหาเลิกศึกแล้วเจ้าคุณนอนท่านก็ไม่ได้ไปไหนเลยท่านออกจากคุติก็เพื่อไปสวดมนต์ธรรวัดเช้าเย็นเท่านั้น ในคุติของเจ้าคุณนอนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วท่านรู้ได้อย่างไรท่านเจ้าคุณนอนเกิดวันเสาร์สิ้าค่ำเดือน3าปีรากาตรงกับวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศกราช2440เวลาเจ .25 น, นที่หลังวัดสมนัตวิหารเขตป้อมปราบสตรูพ่ายจังหวัดพระนครซึ่งปัจจุบันเรียกกรุงเทพมหานาครบิดาชื่อพระยา น, นราชพักตรองจินตยานนท์มารดาชื่อพุทธท่านเป็นลูกชายคนโต มีน้องสคนแต่เสียชีวิตตั้งแต่เล็กสคนน้องชายคนสุดท้องคือนายตริจินตยานนทำงานอยู่ที่กระทรวงการคลังท่านเจ้าขุนนอ น, นเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนสมานพิหารจนจบประถมต้นและเรียนระดับมัธยมศึกษาจนจบที่วัดเบญจมบพิษและเข้าศึกษาต่อในสาขารัฐศาสตร์ที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนที่หอวังต่อมาก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยท่านจบรัฐศาสตร์รุ่นแรกเมื่อปีพุทธศักราช2457 ในช่วงการเดินรัฐศาสตร์อยู่ปีสุดท้ายนั้นนิสิทธิรัฐศาสตร์รุ่นแรกนี้ทั้งหมดได้เข้าร่วมซ้อมรบเสือป่าท่านเจ้าคุณนอนเป็นเสือป่าหลวงเหล่าสื่อสารภายหลังที่ซ้อมรบเสร็จก่อนปิดค่ายได้มีการเลี้ยงสังสรรค์พอเสือป่าตรึกจินตยานนท์ได้รับเลือกเป็นพนักงานเสือประจำโตสเสวยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นที่พอพระรจ้ารชไทยจะมีรับสั่งให้เข้าเฝ้าเมื่อส่งไต่ถามถึงประวัติและเทึกเขาเหล่ากอแล้ว จึงมีรับสั่งว่าเมื่อเรียนจบแล้วจงมาอยู่รับใช้ข้านะท่านผู้ฟังที่เคารพครับในตรึกจินตยานนท์ได้เข้ารับราชการในราชสํานักกระทรวงวังเมื่ออายุย่าง18ปีได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเมื่ออายุเพียง25ปีเป็นพระยาพานทองที่หนุ่มที่สุดในยุคนั้นได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยทรงแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรีเมื่ออายุ27เปีดูประวัติการรับราชการของท่านเลยถครับว่าน่าสนใจเพียงใด ยีกุมภาพันธ์พุทธศักราช2457ันาตำแหน่งมหาดเล็กวิเศษกองเครื่องตั้งรับพระราชทานเงินเดือน40บาท10บพฤศจิกายนพุทธศักราช2458ันาแตำแหน่งรองหุ้มแพรบรรดาศักดิ์ในรองเสนองานประภาธเมษายนพุทธศักราช2459ันาตำแหน่งมหาดเล็กห้องที่บรรทมสามสิสิงหาคมพุทธศักราช2459ันาตำแหน่งหุ้มแพรบรรดาศักดิ์ในเสนองานประภาธ กันยายนพุทธศักราช2459รับพระราชทานเงินเดือน100บาท30ธันวาคมพุทธศักราช2460ตำแหน่งจา่าบรรดาศักดิ์ในจ่ายยงมกราคม2460รับพระราชทานเงินเดือน200บาท31ธันวาคม2461ตำแหน่งรองหัวหมื่นบรรดาศักดิ์เจ้าหมื่นส่วนเพชรรพักดีมกราคม2461รับพระราชทานเงินเดือน300บาท เมษายน2463รับพระราชทานเงินเดือน340บาทเมษายน2465รับพระราชทานเงินเดือน500บาท1ธันวาคม2465ตำแหน่งเจ้ากรมมหาดเล็กห้องที่พระบรรทม30ธันวาคม2465รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยานรรัตนาราชมานิต4เมษายน2467ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าตั้งเป็นองคมนตรี 1. ธันวาคม2467รับพระราชาทานยศจังวางตรีเมษายน2468รแับพระราชาทานเงินเดือน700บาท 25. พิพฤศจิกายน2468พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต 24. มีนาคม2468อุปสมบทอุทิศพระราชกุศลถวายในงานพระเมรุพระบรมศพ 8. มกราคมปีพุทธศักราช2514มรณภาพในสมณเพศ รมวมลาที่บวชสี่สิรรษานอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างมโหฬา น, นีก็คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ็ทรงตระหนักถึงความสามารถและคุณงามความดีของพระยาณนนรรัตนาราชมานิตเรียกร้อบไม่เข้ารับราชการอยู่หลายครั้งกระทั่งเมื่อเจ้าคุณนอนบวชวันทีพระราชกุพลธถวายในงานพระเมรุพระบรมศพแล้วพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราช อ, องค์การเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2469 โปรดกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีทั้งั้งยังอยู่ในสมณเพศเพื่อที่จะให้เป็นที่มั่นใจต่อพระยา น, นารรัตนะราชมานิตว่าพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะชุบเปลี่ยนอย่างจริงจังแม้ว่าเจ้าคุณนอนจะไม่ใช่ข้าหลวงเดิมของพระองค์ท่านก็ตามแต่ท่านเจ้าคุณนอนก็คุณดำรงอยู่ในสมณเพศจนตลอดอายุขยของท่านโดยไม่ใหญ่ดีต่อลาบยศในทางโลกอีกเลยเรื่องนี้น่าจะมีที่มาจากความเป็นผู้มักน้อยและซื่อสัตย์จนเป็นที่เรื่องลือของท่านเจ้าคุณนอน เห็นได้จากบรรดาพระยาที่ได้รับพระราชทานที่ดินจากหล่นกล้ารอหกรุ่นเดียวกับท่านซึ่งมีอยู่4ีท่านด้วยกันต่างสร้างบ้านช่องใหญ่โตระดับคฤือหัดกันทุกท่านท่านหนึ่งสร้างบ้านด้วยหินอ่อนจากอิตาลีแล้วตั้งชื่อบ้านว่าบ้านนร์เิงปัจจุบันก็คือทำเนียบไทยคู่ฟ้าเป็นที่ทำการของนายกรัฐมนตรีทีเดียวเลยแหะท่านที่2 ส, สร้างบ้านบรรทมสินซึ่งใหญ่โตมีรูปปั้นนาฬาิบันทมสินเป็นสงา่าปัจจุบันคือบ้านพิษณุโลก เคยใช้เป็นบ้านรับรองแขกเมืองของรัฐบาลต่อมาจะให้เป็นบ้านประจำตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีแต่ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหนย้ายไปอยู่ทิงทิณจังในว่าผีดุเลยใช้เป็นที่ทํางานก่อนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีไปท่านที่3สร้างบ้านบังคับศิลาใหญ่หรือไม่ใหญ่ท่านผู้ฟังกรุณาไปดูเอาเองก็แล้วกันที่ถนนลานหลวงนั่นแหละรถประจําทางผ่านหลายสายมากในขณะที่พระยาณรัตนาราชมานิตย์ได้รับประราชทานที่ดินแล้วก็ปล่อยให้ว่างอยู่ทังเดิม จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชจะ้สร้างบ้านให้โดยทรงใช้ให้สถาปนิกจัดการออกแบบเพื่อจะสร้างบ้านให้ทัตทิมกับบ้านอีกสามหลังดังกล่าวเมื่อท่านเจ้าขุนนอนทราบเรื่องพระมหากรุณาธิคุณก็ได้เข้ากราบบังคมทูลคัดค้านพระราชประสงค์อย่างไม่กลัวจะถูกรีว่าหากทรงสร้างขึ้นตามพระราชาดำริแล้วจะขอถวายคืนทั้งบ้านและที่ดินที่พระราชท า, านให้ซึ่งในหลวงรัชกาลที่6กก็ทรงผ่อนตาม ที่ดินผืนนี้ก็ถูกปล่อยไว้ให้ว่างเปล่าตราบจนกระทั่งเจ้าคุนนอนถวายเป็นสมบัติของวัดเมื่อท่านอุปสมบทในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยท่านไม่ยอมฟังคำทัดทานของผู้ผงดีที่จะให้เก็บที่ดินผืนนี้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตในบ้านปลายที่ดินผืนนี้คือซอยนรรัตใกล้กับเขตราชเทวีกทม น, นี่เองปัจจุบันมีราคาเป็นร้อย ร, อยรอยล้านแล้วครับท่านเจ้าคุณนอนไม่อยู่ในเพศบรรพชิตก็อยู่อย่างมักน้อยสันโดษในกุฏิจะว่างเปล่า มีเพียงลงศพกับเก่าอยู่หนึ่งลงและโครงกระดูกคนตายแขวนไว้เพื่อใช้ประกอบการเจริญวิปัสสนากรรมฐานไม่มีไฟฟ้าน้ำกระปาใช้ในกุติเมื่อมีคนไปไต่ถามท่านก็อธิบายว่าธรรมชาติมนุษย์ให้เพียงพอแล้วจะวุ่นวายไปทำไมยิ่งเป็นพิษุกสงปฏิบัติอยู่ในธรรมวิไนก็ยิ่งสบายมากน้าฝนนั้นบริสุทธิ์ดื่มฉันก็อบัดน้อยยิ่งไฟฟ้าด้วยแล้วถือว่าไม่สาคัญเลย พระพระอาทิตย์ให้แสงสว่างในโลกมนุษย์ตั้งแต่6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นเราจะทำอะไรก็รีบๆทำเสียเมื่ออาทิตย์สิ้นแสงแล้วก็หมดเวลาที่เราจะทำอย่างอื่นนอกจากทำสมาธิให้ใจสงบแล ะ, จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นเจ้าขุนนอนฉันเอกาคือเวะลาหนึ่งมือ้อเป็นอาหารมังสวิรัตอย่างเดียวกันซ้ำทุกวันเมื่อแรกบวชท่านออกบิณฑบาตแต่ต่อมาก็งดเนื่องจากเล็งเห็นว่าท่านจะตัดล่าพระองค์อื่น และาหารมังสวรัตทําให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนวุ่นวายในการจัดเตรียมและทางครอบครัวของท่านก็จัดมาส่งทุกวันอยู่แล้วนอกจากไม่ออกบิณฑบาตแล้วท่านยังไม่ยอมรับของถวายใดใดทั้งสิ้นเมื่อมีคนนํามาถวายท่านก็บอกให้ไปถวายพระรูปอื่นโดยบอกว่าพระทุกองค์ถือศีลสองิบเจ็ข้อเหมือนกันถวายใครก็ได้บุญเช่นกันมีน่ำซ้ำําท่านยังไม่ยอมรับแขกในกุฏิทุกกรณีใครจะพบหรืสนทนากับท่านก็จะมีโอกาสเฉพาะช่วงที่ท่านออกจากกุฏิไปทำวัดเช้าเย็นเท่านั้น บรรดาญาติโยมที่ศรัทธาท่านและเห็นพระพรายอย่างเจ้าคุณนอนนั้นเป็นเนื้อนาบุญอนุภัยศาลจึงนําเรื่องที่ท่านไม่ยอมรับของถวายไปฟ้องต่อท่านเจ้าอาวาสประเทพเสารินองค์อุปัชาของท่านเจ้าคุณนอนในว่าญาติโยมกลัวจะไม่ได้บุญนั่นแหละคล้ายๆกับญาติโยมรุษสมัยราชการที่1ที่ถวายดียการเรื่องพระภิกษุไม่ยอมรับสตางที่ญาติโยมถวายสาเหตุที่พระท่านไม่ยอมรับสตังก็เนื่องมาจากผิดพระวินยัยตามกุศิยวัคที่2ข้อ8และข้อ9ที่ว่า ข้อแปดิกษุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บมาไว้เพื่อตนต้องนิสสักคียะปาจิตตอข้อเก้าพิสูจน์ทการซื้อขายด้วยรูปียะคือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องนิสสักคียะปาจิตตอท่านเจ้าคุณนอนต้องชี้แจงต่อท่านเจ้า อ, อาวาสว่าการประสมบทของท่านครั้งนี้เพื่อถว า, ายพระราชกุศลแด่หลนเกล้าพร้อมกับต้องการจะศึกษาหลักธรรมคาสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นส่วนตัว เวลานี้ยังไม่รู้แจ้งแตกฉานในธรรมะซึ่งเป็นของละเอียดอ่อนจึงต้องการที่จะใช้เวลามากที่สุดและต้องการความสงบเพื่อศึกษาธรรมะถ้ามุตสารวนคอยรับแขกหรือยุ่งยุในทางโลกอยู่อย่างนี้ทําให้ไม่มีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมการรับแขกที่นําเรื่องยุ่งเรื่องทุกมาแล้วให้ฟังไม่ใช่ธุระ ข, ของสงฆ์ท่านเจ้าเอาว่าไม่ได้ฟังเหตุผลของท่านเจ้าคุณนอนแล้วก็เห็นใจไม่ได้ว่าอะไรท่านเจ้าคุณนอนเคร่งครัดในการทำวัดเช้าเย็นตลอด4 6, พีพรรษาของท่าน ขทำวัดเพียงสองาครั้งเท่านั้นโดยคําสั่งขององค์อุปัชาเนื่งจากท่านถูกสัตว์มีพิษที่มีสองกระแสะเล่าว่าเป็นขังโคกหรืองูเห่าทำร้ายท่านที่เท้าจนเท้าบวมโตท่านก็อยู่เฉยๆจนท่านอุปชาตัวสั่งห้ามกรรมาทำวัดเพื่อให้อาการเท้าบวมทุเลาลงท่านเจ้าขุนนอนเคยบอกกับพระสงฆ์ว่าถ้าวันใดไม่ลงมาบสถก็คือวันละสังขารของท่านในตอนเช้าวันที่8มกราคมพุทธศักราชสองพ เจ้าคุณนอนบอกกับเด็กๆที่นําอาหารไปถวายว่าวันนี้ไม่ฉันและสั่งบอกพระข้างกุฏิว่าวันนี้ไม่ลงโบสถ์ตามธรรมดาเจ้าคุณนอนพอเข้ากุฏิแล้วจะปิดประตูลงกรอนเนื่องจากท่านไม่รับแขกในกุฏิอย่างเคร่งครัดแต่ท่านเคยบอกไว้ว่าวันที่อาตมาจะจากไปเท่านั้นที่จะไม่ลงกรอนจนกระทั่งเวลาหนึ่งทุ่มเศษท่านเจ้าคุณอุดมสาระโสพลกับพวกอีกสอสามคนตัดสินใจเข้าไปหาท่านที่กุฏิเมื่อผลักประตูเข้าไปปรากฏว่าไม่ได้ลงกรอนพบว่าท่านมรณาภาพไปแล้ว ข่มเชวาเรียบร้อยในหมุงหลังเล็กเหมือนกับนอนหลับธรรมดาสันนิษฐานพระท่านมรณภาพตั้งแต่เวลาประมาณ11บเนาฬิกาตามระษาชาวบ้านสอดรู้สอดเห็นทั้งหลายจึงมีผู้คนจํานวนไม่น้อยทึอเถา ก, กันว่าท่านสําเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วยิมีคนเคยสังเกตไว้ในวันสําคัญทางศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาวันมาคาบูชาหรือวันอัสาลหาบูชาซึ่งมีการสวดมนต์กันตลอดรุ่งเมื่อท่านเจ้าคุณ น, นอนนั่งลงแล้วจะอยู่ในอาการสงบนิ่งไม่ไหวติง ไม่มีการเปลี่ยนแปล ง, ปลงอิริยาบถตลอดเวลานับสิบชั่วโมงแม้ในการลงอุโบสถทำวัดเช้าเย็นเจ้าคุณนอนจะอยู่ในลักษณะเช่นนี้เหมือนกันคือพอนั่งลงแล้วก็จะนิ่งเหมือนก้อนหินทีเดียวพระภิกษุที่บวชอยู่ที่วัดเทพเสดินทาวารุ่มสมัยกับท่านเจ้าคุณนอนบอกเล่าในทํานองเดียวกันนี้ปรากฏว่านในวันหนึ่งป ร, รมาจารย์หม่อมราชวงศ์คือกริบปราโมทคุ้นเคยกับท่านเจ้าคุณนอนตั้งแต่สมัยยังเด็กเล็กวิ่งเล่นอยู่ในวังและได้รับแจกท็อฟฟี่จากเจ้าคุณนอนบ่อย ได้คลานเข้าไปหาท่านแล้วถามว่าเรลือกันว่าท่านได้สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้วจริงหรือครับท่านเจ้าขุนนอนดึงหูท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เข้าไปใกล้แล้วกระซิบเบาๆว่าไอบา้บ้าเรื่องที่น่าสนใจทางโหราศาสตร์เกี่ยวกับท่านเจ้าขุนนอนคือดวงชะตาของท่านซึ่งผมขออัญเชิญมาเพื่อการศึกษาดังนี้น่าคิดน่าศึกษาคุนความมากเพราะตามหลักโหราศาสตร์แล้วถือว่าพบอริพบมรณะพบวินาศเป็นพบเสียพบเลวดาพระเคราะห์ที่อยู่ในภพดังกล่าว ซึ่งอยู่ในภพทุสถานะจะไม่อํานวยคุณความดีให้ไม่นาซ้ำอย่างบป็นดาลโทษให้กับเจ้าชะต า, าด้วยโดยดวงชะตาท่านเจ้าคุณนอนก็จะเห็นว่าดาวพระเคราะห์ถึง6ดวงมาออกกันอยู่ในภพวินาศซึ่งจันทร์อยู่ที่ภพอริและดาวพระฤหัสที่เป็นดาวประธานของดาวดีก็ตกอยู่ภพมรณะมีดาวเสาดวงเดียวที่อยู่ในภพกัมมะแต่ดาวเสาก็เสียอยู่ดีเนื่องจากเป็นเจ้าเรือนภพมรณะชีวิตเจ้าคุณนอนเป็นชีวิตที่สอนมนุษย์ได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าดูกันทางหมอดูแล้วชีวิตท่านคงล้มเหลวแย่แน่นอนแต่ปรากฏว่าท่านกลับประสบแต่วความรุ่งโรจน์ทั้งทา ง, ทางโลกและทางธรรมเป็นที่เคารพแซ่สองสรรเสริญจากบรรดาส า, าธุชนทั้งหลายเนื่องจากท่านเป็นคนดีนั่นเองครับแล้วก็ประวัติของท่านเจ้าคุณนอนพระยานอนรัตนะราชมานิตแบบยอ่ยอๆก็จบลงครับก็หวังว่าในคลิปนี้ท่านผู้ฟังจะได้อะไรดีๆกลับไปคิดบ้างนะครับ <c oughs> ขอให้ทุกท่านโชคดีไม่เจ็บไม่จนสมหวังได้ทางที่ถูกที่ชอบทุกประการครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ